เตรียมตัวที่จะออกเดินทางแล้ววนะเออแล้วเมื่อคืนด่ไปยังไงบ้างนอนหลับสบายไหาเจ้านอนไม่ค่อยหลับอ้าวทำไมลนะ่ะนี่ก็เป็นบ้านเก่าของเจ้าไม่เคยแปลกบ้านเลยดิแต่ความรู้สึกเหมือนแขกแปลกถิ่นไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านเหมือนก่อน บอกตรงตรงว่าข้าพเจ้าอยากจะหนีไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้ได้ซั้นแล้วเมื่อหลับไปด้วยความอ่อนเพลียข้าเจ้าฝันเห็นพ่อแม่ได้นแล้วเจ้าละเมอเรียกพ่อแม่ให้ลั่นเชียวและยังมีอีกชื่อหนึ่งที่เจ้าละเมอเรียกไม่รู้ว่าเป็นใครข้าพเจ้าละเมอเรียกใครลีลาวดีเอ้ใครกันฮะคนที่ข้าพเจ้ารักลาก่อน ท่านผู้ออขอให้โชคดีเรวตต์ หน่อยก็ดีเหมือนกันนะนี่ดูสิพละที่กําลังแผแลเล็บเมีเต็มที่เลยมีนร้อนได้งไงละ่ะทุกทีไม่เคยเป็นอย่างนี้นะอะถึงว่าก็เล่นกันทั้งวันไม่เหนื่อยเฮ้ยนั่นใคนะรอะลงมาโตกันหน่อยสิเฮ้ยใส่ก็ไม่ล็อกทำไมเดินโซเฟยอย่างนั้นละ่ะผิวก็เปรียมผมพายุ่งเหยิงผ้าลุงขาดการะล่มการิ่งน้ําซ้ำผอมจนเห็นซี่โครง น <â ge> ั่นนั่นนั่นนจะแย่งเหียไปบนพวกเราที่นอนอยู่ใต้ต้นไม้อ่ะเฮ้ยเเราวิ่งไปเหยียบคนอะไรอะไรอะไรเียบคนมาบอนได้ปะทอไอ้บ้มคนนนเยเียบข้มาจับมันไว้ยกันไปเยยนะคที่จะมาเหียบค่ะโวดีไรฮะเอาไม่พจะนั่งนกลัจะเป็นบ้านะ ตามันสิเป็นประกายวาวน่ากลัวเหลือเกินเขาว่าคนนี้กาลังบ้าจัดๆมีตาแบบนี้ล่ะฮู้กลามาดูคนบ้ากันคนบ้าคนไหนนะนี่เราบ้เราเหรอย่งจงไงอย่ามาไม้ให่กูสิลองไม้ให่ดูสิจะบ้าจริงระเปล่านี่นี่ไหนบ้านี่ไปเฮ็ดคนปะเดี๋ยวเถอะ คนบ้าฮะรูเด็กบ้าคนนั้นเป็นใครมาจากไหนไม่รู้ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยดูมันสิย่าเฉายเมออยู่ลลเลยหน้าแดเหมือนคนไม่มีเนื้อแดงลแล้วในตามันสิใช่ในตาเป็นประกายแวววาวแต่ว่ามีน้ำตาไอลสมบุกมาด้วยไห้แล้วน้ําตาจริงๆด้วยอืมน่าสงสาราถ้าท่าไม่ใช่คนบ้าแต่เป็นด้วยอะไร เป็นอย่างนี้นั่นน้าทำอะไรนะ่ะมัตรพที่ผมก็ออกมันกกรเป๋ามากน้าไม่ได้ปัดพนอย่างเดียวนี่ยั้ า, ามาก็าพืพัดอีกด้วยเขาคงร้อนและเหน็ดเหนื่อยจนหมดเรี่ยวแรงเราแข็งแรงกว่าคนเมตตาต่อเขาบอกเฮะเอาผคมาช่วยก็พืนพัดห้ทาค น, นาผ้าลงารจริงจังไอ้พวกเอขขเลยมานะเฮ้ใครก็ได้ ไปดักน้ําให้หน่อยสิ ไ, ไ, ไ, ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนเขาไม่ใช่คนบ้าหรอกเห็นไหมเขาไม่ได้อรารวาณอะไรเลยแต่คนผู้นี้นะคงจะเหนื่อยมากนั่นเองน้ำมาแล้วโอ้เฮีย้าามาแล้วให้เขาไปคงจะหิวน้ำเนี่ยเห็นไหมโอ้โหรีบดื่มด้วยความกระหายที่เหลือจะได้รูปไา่ตามหน้าผากลําตัวแขนใดีอสักครู่คงสบายกึ้นแนะ นะเขาลืมตาแล้ ว, ลลวเธอเป็นใครมาจากไหนเขาพระเจ้ามาจากเมืองสาวัตถีเธอมาคนเดียวเหร อ, อเธอข้ามดงใหญ่ไม่ได้ยังไง ถูกแล้วแล้วน่นก็เขาเป็นไมข้าพเจ้ามาคนเดียวไม่มีใครเป็นเพื่อนเลยเข้าพเจ้าเดินข้ามดงใหญ่เป็นเวลาสองวันไม่พบมนุษย์เลยสักคนไปน่ได้กินอาหารมาสองวันแล้วข้าพเจ้าเหน็ดเหนื่อยแล้วอ่อนเพลียมากเมื่อมาถึงที่นี่ข้าพเจ้าเกือบสิ้นสติทีเดียวน่าสงสารแล้วเธอชื่ออะไรล่ะข้าพเจ้าชื่อเรวัตตา เธอจะไปไหนศาสเดินทางไกลามาถึงเพียงนี้เดิมทีข้าพเจ้าอยู่เมืองสาวัตถีพร้อมบิดามารดาแต่ปัจจบันนี้บิดามารดาได้อพยพไปอยู่ทางเหนือจะไม่ทราบไปอยู่ที่ใดข้าพเจ้าเดินทางมาก็เพื่อหาบิดามารดาจนป่านนี้แล้วก็ยังไม่พบท่านเคยพบเห็นบิดามารดาข้าพเจ้าบ้างหรือเปล่าบิดามารดาของเธอชื่ออะไรบิดาข้าพเจ้าชื่อพันธุมะ มานดาชื่อสุชาดีท่านเคยพบบ้างไหมอืมไม่เคยพบเห็นเลยถ้าตีเห็นจะไม่ได้พบกันอีกแล้วอย่าเศร้าโศกไปเลยหนูเอ้ยฉันจะช่วยเหลือเธอช่วยเหลือท่านจะช่วยเหลื อ, อยังไงฉันจะพาเธอเที่ยวหาบิดาจนกว่าจะพบเชื่อว่าบิดาของเธอคงจะอยู่แถวเมืองกบินพัฒน์ปาวาหรือว่ากุตินารามืองใดเมืองหนึ่งอีกไม่ น, นานคงจะพบแน่นอน ข้าพเจ้าขอกราบขอบคุณแทบเท้าท่านแล้วก็ท่านมีความกรุณาโดยแท้และก็เพราะท่านนี่แหละข้าพเจ้าจึงรอดพ้นจากการถูกรังแกทั้งยังเสนอตัวจะเป็นผู้พาข้าพเจ้าไปหาบิดาอีกท่านช่างมีใจแต่ไม่ได้วความกรุณาจริงๆข้าพเจ้าจะไม่ขอลืมพระคุณของท่านเลยอานั่งตามสบายเถอะไม่ต้องมากราบอะไรความจริงฉันเองก็ไม่ใช่คนบ้านนี้ บ้านฉันอยู่ทางเหนือเหมือนกันบ้านท่านอยู่ทางเหนือถูกแลบบ้วบ้านท่นอยู่ทางเหนือนุอ้งแล้วท่านจะเดินทางกลับบ้านเมื่อไหรคิดว่าจะพักผ่อนอีกสักสองสามวันแล้วจึงจะออกเดินทางไปเดีกันตอนนี้เธอยังเหน็ดเหนื่อยอยู่มากคงจะเดินทางต่อไปไม่ไหวแนะ่ท่านยังไม่กลับบ้านแล้วท่านจะพักที่ไหนพักที่บ้านญาติญาติฉันเขาอยู่ในหมู่บ้านกาลิกะคามนี่แหละอ๋อนี่ชื่อหมู่บ้านกาลิกาคาม ถูกแล้วไปเถอะเธอจะได้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าสมไมเชื่อว่าจะทำให้เธอสดชื่นแล้วก็แข็งแรงขึ้นมากทีเดียว มาพักที่บ้านยามาถึงก็ให้อาบน้ําให้เสื้อผ้าใหม่มาเปลี่ยนให้กินอาหารอย่างดีผู้มีคุณเอาใจใส่ดูแลเหมือนกับว่าเราเป็นลูกของเขาเพียงไม่กี่วันก็รู้สึกรักและนับถือชายคนนี้อย่างจริงจังนี่ก็ตั้งใจมั่นเอาไว้แล้วว่าจะติดตามเขาไปทุกคนทุกแข่งจนกว่าจะพบพ่อแม่เป็นยังไงเรย์วตัตเขาจะเอาแข็งแรงดีแล้วอืมเก่งสินะ เพียงแค่สามวันเท่านั้นดูเธอแข็งแรงขึ้นมากทีเดียวพร้อมที่จะออกเดินทางได้หรือยังละ่ะข้าพระเจ้าพร้อมแล้วถ้าท่า น, น, นออกเดินทางกันเสียววันนี้เลยท่านผู้มีพระคุณนี่เราจะไปทางไหนมุ่งหน้าสู่ทิศเหนือ เธอต้องการอย่างนั้นด้วยไม่ใช่หรือถูกแล้วท่านผู้มีพระคุณแต่เท่าที่ข้าพาเจ้าทราบมีข่าวเลยกันว่าข่าวเลย อ, อะไรในวัดตะในป่าใหญ่แถบเหนือแต่นไปได้โจรผู้ร้ายคอยดับพล้นพวกพ่อค้าและคนเดินทางฉันก็ได้ยินข่าวเลย อ, อย่างนั้นเธอกลัวหรือเปล่าล่ะข้าพาเจ้ามากับผู้มีพระคุณไม่เห็นได้ ก, กลัวเลยงั้นเหรอแล้วอีกอย่างหนึ่ง <laughs> ก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรจะให้พวกมันต้น พวกโจรคงไม่ใจดำอมหิทธ์ถึงกับปล้นเอาชีวิตเธอเข้าใจคิดนี่แต่นั่นแหละความคิดของเธออาจจะเป็นความจริงก็ได้พวกโจรคงไม่ใจร้ายถึงกับฆ่าคนที่ไม่มีเงินทองและสิ่งของจะให้มันว่าจะเหนื่อยหรื อ, อยังล่ะนะเราเดินทางตั้งแต่เช้าจนบ่ายคล้อยแล้วยังไม่มีท่าทีว่าจะพ้นป่าใหญ่เลยเมืย์ก็บอกจะได้พักข้าพเจ้ายัางไม่เมย์ยังเดินทางไปได้อีกคิดว่าเย็นนี้จะพ้นป่าไหมเห็นใจยา่า เยนนี้ก็ไม่พ้นป่าถูกแล้วคืนนี้ต้องค้างกันในป่านี้แหละแล้วจะพักกันที่ไหนละ่ะเดินดูไปได้เลยก่อนจนกว่าจะหาที่ใดเหมาะผู้มีพระคุณพาแวะเข้าข้างทางเพื่อหาที่พักนอนแต่ก็หาที่เหมาะไม่ได้เลยผู้มีพระคุณคงพาเดินบุกป่าไปได้เรื่อยถ้าทางเหมือนกับไม่ตั้งใจจะหาที่พักเอเขาจะพาไปไหนกันนะอยากจะถามให้รู้เรื่องแต่ก็ไม่กล้า นอกจากจะก้มหน้าก้มตาเดินตามไปหยุดเออใ่ที่ไหนเนี่ยผู้มีพระคุณกลางป่ามีอะไรเกิดขึ้นจะบอกให้หยุดอยุดเฉยไม่ต้องทักถามอะไรทั้งนั้น มีตาดูหูฟังเอมันเขาเอามือใส่ปากเปล่าทำไมอะเสียงวิทวีสามครั้งตู้มือนถยงจะดังไปไกลมากทีเดียวเล้วมีเสียงเปล่าปากอย่างเดียวกันดังมาจากที่ไกลใครคนเปล่าปากตอบมานะก็ทำอย่างนี้ทำไมไปออกเดินทาง ใจกับการกระทําของชายคนนี้จริงๆอยากจะถามแต่ก็ไม่กล้าแบบนี้ต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอนอ๋อหยู่ตรงนี้ก่อนนะหยุดอีกแล้วเลยท่านจะเป่าป่าอีกใช่ไหมอย่ากรู้เดไปหน่อยเลยนะเธออยู่ที่นี่นะ่ะฉันจะไปรัฐสักประเดี๋ยวนะท่านจะไปไหนอะไม่ต้องถามไปเดี๋ยวมาแปลกจริงพูดแล้วก็รีบเดินหายเข้าไปในป่าครับข้าทิ้งให้อยู่คนเดียว มีโจรจะข้าอยู่แล้วเกิดพวกโจรมาจะทำยังไงเข้าไปไหนกันนะทิ้งให้อยู่คนเดียวได้ลงคอคนเสียนคนหนิ หลายคนคุยกันไม่รู้คุยเรื่องอะไรอยู่ไกลฝั่งไม่ถนัดใครกันนะคุยกันในป่าดงโพงคลายอันแสนไกลยังจะมีคนอาศัยอยู่อีกละเนี่ยหรือว่ามันเป็นพวกปีศาจปีศาจถ้ามันปรากฏตัวจะทํำยังไงชายคนนั้นก็ยังไม่กลับมาสทัทีไม่รู้ว่าจะทิ้งไว้ที่นี่เลยหรือเปล่าถ้าทิ้งโอ้ยต้องตายแน่เลย เลยวัดตากลัวกลัวแล้วมาเลยกันเลยวัดตะเธอกลัวอะไรเหะอโอท่านกลับมาแล้วข้าพเจ้านึกว่าเป็นพวกปีศาจมาเรียกซะอีกป <m> ีศาจที่ไหนกันกลัวไม่เข้าเรื่องเลยไปออกเดินทางกันต่อไปครับท่านเสร็จธุระแล้วเหรอเรียบร้อยแล้วไปเถอะเขารีบออกเดินนําหน้าไปก่อนทุกทีสงสัยเมื่อกี้เข้าไปไหนมาเขาจะได้ยินเสียงคนคุยกันหรือเปล่านะ จะบอกให้เขารู้ดีไหมยอย่าดีกว่าบอกเขาก็คงไม่เชื่อถ้าเขาไม่ได้ยินถ้าทางเขาคล่องแคล่วเหมือนกับว่ามีความจำนานป่าทางด้านนี้มากโอ้นูน่นแสงไฟ หลายหลังตั้งเรียงรายอยู่ในป่าผู้คนเดินทุกพ่านไปมาเหมือนกับเป็นหมู่บ้าน เ, นเล็กๆคนเหล่านั้นหันมามองดูเป็นตาเดียวแต่ชายคนนั้นไม่ได้สนใจพาเดินมาจนกระทั่งถึงกระท่อมหลังหนึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางกระท่อมเอื่นทั้งหมดอ้าวเข้าไปข้างในสิเยวัตตะกระท่อมของใคระเข้าไปก่อนเถอะแล้วก็จะเห็นเองอยากเห็นเหมือนกันว่ามีอะไรรีบเดินตามพักเข้าไปฮะท่าน ชายกลางคนนั่งแต่งงาอยู่บนต่างข้างครบเพลินท่าทางน่ากลัวตัวเปล่าเปลือยทําให้เห็นเรือนร่างทิล่ำสั่ใหญ่โตได้ถนัดแววตาผมคล้ายตาเหี่ยวรับกับใบหน้าเข้มเครียดและรกรุงรังไปได้วยหน่วยเขากลับมาแล้วหรอโกริดข้าพเจ้ากลับมาแล้วเพิ่งจะกลับมาเดี๋ยวนี้เองแล้วเด็กคนนั้นใครอ่ะเขาเป็นเด็กอนาถาไม่มีพ่อแม่ข้าพเจ้าพบเขกลางทางก็เลยพาเขามา ถ้าท่านไม่คัดข้องข้าพเจ้าจะเลี้ยงเอาไว้เพื่อใช้งานต่อไปเลี้ยงเขาไว้ใช้งานเหรอโกริศถูกแล้วเชื่อว่าเขามีคุณสมบัติเหมาะที่จะอยู่กับเราเธอแน่ใจหรือว่าเขาจะซื่อสัสตย์ต่อพวกเราข้าพเจ้าแน่ใจขอพิจารณาดูหน้าตาหน่อยสิอืมอือใช้ได้ใช้ได้โกริศเลี้ยงดูเอาไว้มันสอนศิลปะต่างๆให้เขาจะเป็นประโยชน์แก่พวกเรา ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำของท่านหมดตรลาแล้วข้าพเจ้าขอลาอ่อเดี๋ยวก่อนโกลิสขวหน้ามีอะไรอีกเด็กคนนี้ชื่ออะไรเรวัตะนี่เป็นกระทําของฉันเองเธอพักได้ตามสบายนะเรวัตะขอบคุณ ชื่อโกริศแล้วคนเมื่อกี้หน้าตาดุนั่นล่ะเป็นหัวหน้าที่นี่ใช่ไหมถูกแล้วเขาเป็นหัวหน้าชื่อเชตกกเชตักกเธอเคยได้ยินชื่อนี้บ้างไหมไม่เคยได้ยินคนผู้นี้มีความสําคัญมากนักเลยแน่นอนเขามีความสําคัญมากพวกพ่อค้าพานิทั่วทั้งแคว้นโกศนพากันกวันเกรงและหมู่บ้านกลางป่าแห่งนี้เคยมีกองทัพของพระเจ้าประเสียนที่โกศน พยายามจะทำลายแต่ก็ไม่สำเร็จทำไมต้องพยายามทำลายดีละ่ะก็เพราะเชจักระเป็นหัวหน้าโจรน่ะสิหัวหน้าโจรเรย์วัวตถ์เธอจะต้องอยู่ที่นี่ต่อไปอยู่กับฉันอยู่กันจนกว่าจะตายจากกันไปแต่ข้าพเจ้าจะต้องตามหาพ่อแม่เฮ้ เรื่องนั้นเอาไว้พูดกันทีหลังเชื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้าเธอจะต้องพบพ่อแม่ของเธอแน่นอนอ่ะนั่นเขาจัดอาหารมาให้แล้วกินสิจิรอช้ายอยู่ทำไมฉันรู้ว่าเธอหิวไม่น้อยทียไม่ต้องเตือนไปครั้งที่สองเพราะหิวอย่างที่โกริสว่าดูเหมือนจะเป็นอาหารชั้นดีมากไม่น่าจะหาได้ในฝ่าดงพงไพรนี้เลย อ, อ, อร่อยซะด้วยจิอร่อยไหมเรวัตอร่อยมาก เราอยู่ที่นี่ไม่เคยขาดแคลนปัจจัยสี่เลยเรากินอาหารอย่างดีใส่เสื้อผ้าราคาแพงมีเงินมีทองระับใช้จ่ายเราครองชีดอยู่ยังสุขสบายมากเธออยู่กับเราแล้วจะเห็นเองนอกจากอาหารดีอร่อยมากแล้วภายในกระท่อมของโกริตมีหอกดาบธนูและอาวุธอื่นๆแขวนเกะ ก, กะอยู่ตามฝากระท่อมมีเสื้อผ้าราคาแพงๆเครื่องประดับทำด้วยทองและเพชรพลอย ที่เธอดูนั่นะชอบไหมสวยดีไม่เคยเห็นมาก่อนเธอต้องการอะไรเอาไปใช้ได้ตามชอบใจฉันอนุญาตขอบใจแต่ข้าพเจ้าไม่ต้องการหรอกเกิดมาไม่เคยใช้ของเหล่านั้นเห็นแล้วไม่นึกอยากได้อีกหน่อยเธอก็ต้องอยากได้เรอกนะเรวาตา มคนมีความพาสุดโจนอื่นๆเริ่มรู้จักและให้ความรักโจนคนใดได้ของกินของใช้แตปลกมาก็นํามาให้เป็นของขวัญอยู่เสมอพวกนี้ถึงแม้จะเป็นโจรใจอมนหิตต้นสะดมแย่งชิงผู้อื่นเลี้ยงที่ก็ใช่ว่าจะปราศจากเพื่อซึ่งความเมตตากรุณาทีเดียวไหนๆก็เข้ามาอยู่กับพวกโจรนะก็ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับพวกเขาให้ได้ยิ่งคําตัวให้เป็นโจรมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นที่รักของพวกโจรมากขึ้น เกรวัตตาฉันมีข่าวดีมาบอกเธอข่าวดีอะไรท่านโกริชเสอเสียงของเธอหน่ะสิเวลานี้เราไปถึงหัวหน้าแล้ววันนี้เลยเรียกฉันไปหาออกปาขอเธอไปอยู่ด้วยแดีวท่านว่าไงฉันเห็นว่ามันเป็นทางที่จะทําให้เธอจเจริญรุ่งเรืองไปในวันหน้าฉันก็เลยบอกยกให้ก็พระเจ้าไม่เข้าใจที่ว่าจ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปในวันข้างหน้านั้นจเจริญรุ่งเรืองด้วยวิธีไหนเธอน่ะไม่รู้อะไร ไม่เคยปรากฏว่าหัวหน้าชอบใครอย่างจริงใจมาก่อนเลยก็มีเธอนี่แหละโชคดีเมื่อเธอไปอยู่กับหัวหน้าแล้วหัวหน้าก็จะต้องสอนศรริลปะของโจนในแก่เธอทุกอย่างเช่นการใช้อาวุธการอบร้องไม่มีใจโหคร้าเ ย, ยี่ยงโจทั้งหลายและในช่วงนี้แหละเธอมีโอกาสจะได้ติดตามหัวหน้าไปล้นตะดมูบานและหัวเมืองเล็กๆซึ่งอยู่ไกลเอาล่ะเธอพร้อมที่จะไปหาหัวหน้าหรื อ, อยังข้าพเจ้าพร้อมนะ งันประกันเถอะวัต บอกให้ฟังทุกอย่างเชษฐกะหัวหน้าโจรมันข้ามสอนศิลปะโจนให้ทุกอย่างไม่ปิดบังมีศิลปะ ก, การใช้อาวุธการทีแนแ้ถึงการเป็นโจนซึ่งจะต้องมีใจโหดร้ายไม่เมตตาปราณีแก่ไทยขณะเดียวกันก็ต้องติดตามหัวหน้าและฝูงโจนทั้งหลายเดินทางไปต้นสะดมหมู่บ้านและเมืองเล็กๆ ต้องเผชิญกับการต่อสู้และภัยอันตรายต่างๆแค่เอาชีวิตไม่รอดยิ่งผ่านพบกับความลำบากและภัยอันตรายมากเพียงใดจิตใจก็ยิ่งแข็งแกร่งกระดุกเหล็กรู้สึกเหงาเมื่อไม่ได้ออกล้นและจะยินดีเมื่อได้ฆ่าเจ้าสรัพย์และขนเอาสมบัติม า, าเรวัตตาเด็กกลายเป็นโจรไปแล้วอย่างสมบูรณ์ ไงเรวตะเดี๋ยวนี้เธอกลายเป็นโจรหนุ่มผู้ห้าวหารและเป็นที่โปรดปรานของหัวหน้ามากเลยนะก็ต้องขอขอบคุณท่านโคลิที่เป็นผู้ชักนำํำข้าพเจ้ามาบุญคุณอันนี้ข้าพเจ้าไม่เคยลืมเดี <laughs> ย๋ยพูดถึงบุญคุณเลยความกล้าหาญของเธอเนี่ยฉันเองก็ภูมิใจไม่น้อยเหมือนกันที่ดูคนอย่างเธอไม่ผิดร่องรอยของเรวตะคนก่อนไม่มีหลงเหลืออยู่อีกแล้วมีแต่เรวัตตาคนใหม่ ทั้งร่างกายและจิตใจถูกของท่านโกริตก่อนนั้นข้าพเจ้าเป็นเพียงเด็กจันทานอาศัยอยู่บ้านสุมังคละกหาอดีแห่งปุงสาวัตถีแในฐานาทาสคนหนึ่งแต่บัดนี้ข้าพเจ้ากลายเป็นเอมหาโจรยินดีในการต้นทรัพย์และชีวิตของผู้อื่นชีวิตของการเป็นโจรทําให้มีความสุขอิงมะในวัตถ์จริงทีเดียวชีวิตของข้าพเจ้าเวลานี้มีแต่ความสุขสําราญ เรื่องราวแนอดีตยังคิดถึงอยู่อีกหรือเปล่าข้าพเจ้าลืมไปหมดสิน้นแล้พ่อแม่ของเธอที่ติดตามหานะั่นล่ะไม่จําเป็นีลยล่ะไม่จําเป็นต้องติดตามค้นหาตุกวันนี้ข้าพเจ้ามีความสุขอยู่ในการกินดื่มเล่นการพ น, นันออกล่าพ่อค้าพาณิชย์ที่ผ่านปา่าได้ทับสมบัติมาก็แบ่งกันระหว่างพวกโจรแล้วก็มีการกินเลี้ยงกันเล่นการพานันกันอย่างสนุกสนานแค่นี้ข้าพเจ้าก็มีความสุขพอนะ เธออยู่ที่นี่กี่ปีแล้วเลวตัดสามปีเต็มเสียงเปล่าเขาสัดหัวหน้าเรียกว่าชมเราไปกันเถอเลวตัด พร้อมกันทุกคนนะหรื อ, อยังพร้อมแล้วหนหะัวน้าจะทหารทั้งหลายวันนี้ข้ามีข่าวจะบอกพวกเจับเป็นข่าวดีที่ข้าได้ยินได้ฟังมาหลายเดือนแล้วมันเกี่ยวกับโชคคลาบและความสมูรทผุนจุขของพวกเราถือว่าคนของเราที่ประจำอยู่ที่หมู่บ้านอุตรคามได้แจ้งไม่ข้ารู้ว่าเวลานี้มีพ่อาคาเกวียนหมู่ใหญ่กําลังพักเตรียมการอยู่ที่หมู่บ้านนั้นวันที่สองจากวันนี้ไป ถึงจะยกขบวนข้ามลงของเราเป็นอันว่าลาบอันมาหาศากลก็ลจะวิ่งมาหาเราเองแล้วนานๆถึงจะได้พบเหยื่ออนันงดงามเช่นนี้สักครั้งหนึ่งเราจะต้องยกกําลังทั้งหมดไปแอบซ่อนอยู่กลางทางคอยตัดล้นพวกพ่อค้าเหล่านี้แปลว่าไม่อะไรเลยโหน้าละหายทั้งหลายนขนคู่เราแจ้งมาว่าพ่อค้าเหล่านี้มีจํานวนมากอาวุธก็ดี และจัดเตรีมในการต่อสู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวหัวหน้าของพวกฮาเหล่านั้นเป็นคนฉลาดและกล้าหาญมากเคยผ่านอันตรายมาทบทุกชนิดเพราะฉะนั้นเราจะทำงานครั้งนี้ด้วยความประมาดไม่ได้ข้าจะวางแผนการคราวนี้อย่างสุ ข, ขุมและจะแจ้งให้พวกเจ้ารู้อีกครั้งหนึง่งขอให้ทุกคนเตรียมอาวุธให้ดีและฝึกซ้อมไว้ให้คล่อง ขอบอกให้รู้ว่าเท่านี้ทุกคนแยกย้ายกันกลับไปได้เรวัตะอยู่ปรึกษากันก่อนเราจะวางแผนยังไงดีช่วยออกความเห็นหน่อยสิเรวัตต ดูมันว่าพวกพ่อค้ามีจํานวนมากกว่าเราตั้งสองร้อยคนไม่ใช่ถูกแล้วพวกพ่อค้ามีมากกว่าเราสองร้อยคนนอกจากคนจะมากแล้วยังเป็นผู้มีความเจริจัดในการผจญภัยเด้อใช่พวกนี้มีความชานาญมากข้าพเจ้าว่าถ้าเรายกพวกเข้ากล้นซึ่ๆซึนนาอย่างที่เราแล้วมาอาจจะเพลินทำแก่พวกมันได้ก็นนั่นน่ะสิเดี๋ยวก็ทำยังไงดีละ่ะถ้าเราสามารถเข้าจูโจมในเวลากลางคืน โดยที่พวกมันไม่รู้ตัวก็จะหมอมากเห็นจะยากสักหน่อยเพราะพวกพ่อค้าเหล่าเนี่ยมักจะหยุดยั้งตั้งค่ายอย่างมั่นคงแข็งแรงก่อนค่าเสมอเมื่อเขาตั้งค่ายลงมั่นแล้วก็เป็นการยากที่จะเข้าโจมตีครั้จะเข้าร้นในเวลากลางวันกําลังของเรากะน้อยกว่าคงไม่ปลอดภัยนอกจากจะทําให้พวกพ่อค้าเดินทางในเวลากลางคืนไม่แ่ว่าเราจะมีวิธีใดบ้างล่ะ พวกพ่อค้าจะออกเดินทางจากหมู่บ้านอุตรคามแต่เช้าตรู่ใช่ไหมใช่คนของเราบอกมาอย่างนั้นถ้าออกเดินทางแต่เช้าตรู่กว่าจะถึงกลางดงที่เราอยู่ก็คงจะเกือบค่ำแล้วกูเ็นคงเดินช้าเพราะคนมากพวกพ่อค้าก็อาจจะพักแรมที่กลางดงนี้ก็ได้แต่ถ้าเราสามารถทำให้เขารู้สึกว่าที่ตรงนี้ไม่ปลอดภัยเขาก็อาจจะไม่หยุดจะทำยังไงพวกนั้นถึงจะรู้ว่าไม่ปลอดภัย ข้ญญาเจาคิาาดว่าขณะที่ข้าโจรจะตั้งค่ายพักในตอนใกล้ค่ำก็จัดคนของเรากลุ่มหนึ่งทำทีว่าจะเข้ากล่นพวกก่อค้าก็จะเรียบเดินทางต่อไปพอมืดสนิท ด, ดีแล้วพวกที่ในหลังก็เข้าโจมตีท้ายขบวนพวกที่ไปข้างหน้ารู้ว่าพวกข้างหลังถูกโจมตีก็หยุดเกวียนไว้แล้วหูนกลับไปช่วยในขณะนั้นพวกเราอีกหน่วยหนึ่งเข้าโจมตีตอนหน้าขบวนเลย We set, we s e l l bai ni can die. Hahaha.